พระองค์จะปรินิพานในวันวิสาขาปุรณมีคือวันเพ็ญเดือนหกอันว่าบุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลามหึมาแท่งทึบจากหน้าผาลงสูส่สระย่อมก่อความกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นชันใดการปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไทยว่าจะปรินิพานของพระอนาวาณิยานก็ฉันนั้นก่อความวิปริตแปรปวนแก่โลกธาตุทั้งสิ้น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 ปรักษาชาตร้องระงมสนัน่นไพรเหมือนจะประกาศว่าพระผู้ทรงมหากรุณากำลังจะจากไปในไม่ช้านี้พระอนุลสังเกตเห็นความวิปริตแปรปลวนของโลกธาตุดังนี้จึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธาตุวิปริตแปรปลวนผิดปกติไม่เคยมีไม่เคยเป็นได้เป็นแล้วเพราะเหตุอะไรเนอพระทศพลเจ้าตรัสว่าอนุลเอ๋ย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 ดูก่อนภิสษุทั้งหลายไม่ว่าพบไหนๆล้วนแต่มีลักษณะเหมือนกองเพลิงทั้งสิน้นสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขายนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นดูก่อนพิสษุทั้งหลายทางสองสายคือการมสุขันลิการุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมฐานุโยกการทรมานกายให้ลาบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสีย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 ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกเพราะวาตัญหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภะวะตันหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นบูลฐานภิกษุทั้งหลายการสลัดทิ้งโดยไม่เหลือซึ่งตัญหาประเภทต่างๆดับตัญหาคลายตันหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกวันนิโรธคือความดับทุกข์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ที่จะครอบงำรัดจึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและผดทภพะแห่งสตรีภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโดทภพะใดๆที่สามารถครอบงำรัดจึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสและผดทภพะแห่งบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามาคุณ น, นี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งบานเป็นพวงดอกไม้แห่งมาน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 เหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิ่นไม่ได้แต่ว่าจาสุภาสิจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทําตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยมีสันฐานงามและมีกลิ่นหอมภิกษุทั้งหลายทาที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอนิสงผ ais านแก่ผู้ไม่ทาตามโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอนิสงผ ais านแก่ผู้ซึ่งประทาโดยนัยยะตรงกันข้าม มีการฟังโดยเคารพเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัส ก, กับพระอนุ์ว่ามาเถิดอนุ์เราจะไปกุศินารานครด้วยกันพระอนุนรับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุศินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มปลึกใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอนุ์ปูผ้าสังขารติทาเป็นสีชั้นอนุ์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 พระองค์เป็นประดุษพระเจ้าจากักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปนาอาณาจาักรแห่งธรรมขึ้นทรงเป็นธรรมราชาสูงยิ่งกว่า ร, ราชาใดๆในพื้นพภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุศินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชกฤตสาวสถีจำปาสาเกตโกสัมพีพระนาศีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข่าในมหานครเหล่านั้น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 เราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานอน์เอยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตัดรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชเครือมหานครนเมื่อตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียงหาคน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 เป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์นิกกนเกลื่อนกลนพรั่งพร้อมด้วยทันยาหารมีรมรียสถานที่บันเทิงจิตประดุดังราชธานีแห่งทิพยานครกุสาวดีราชธานีนั้นตึกกล้องนรุนาถทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียงสิบประการคือเสียงคชาสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโพนเสียงผินเสียงขับร้องเสียงกลางสดานเสียงสัง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 ตถาคตเองก็จะปรินิพานในไม่ช้านี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอนต์ไปแจ้งข่าวปรินิพานแก่มรละกษัตริ์ว่าพระตถาคตเจ้าจากปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมรละกษัตริ์ผู้ครองนครกุศินาราสดับข่าวนี้ต่างก็กำสดโศกาดูนทุกทมมณทัพทวีสยายพระเกษายกพระพาหาทั้งสองขึ้น แล้วคร่ำครวนล้มกลิ้งเกลือกประหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรรำพันถึงพระโลกนาฏว่าพระโลกนาฏดวนปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุลสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับบูบลงด้วยอาการโศกาดูลดังนี้มรรกษัตต์ตามพระอ น, นุ์ไปเฝ้าพระา ศ, าาศาสดาณสาลวโนทยานพระอ น, นจัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันธาคารคืนนั้น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 灭亡。